ถึเมื่อวานไปธรรมจาริกนะก็ต้องมีธรรมะมาผ <c oughs> ู้สู่กันฟังมาแปลพาโยไปที่ไหนก็ตามพามาแล้วต้องได้ธรรมะกลับมาพูดฟังให้กันฟังไม่งั้นไปเที่ยวแล้วเสียเวลาเหนื่อยเสียตังแต่ต้องได้สิ่งที่ดีกลับมาไปเสงิ่งสิ่งแรกเปลี่ยนอืมเราได้สิ่งที่ดีกว่านั้นเราจะไปไหนก็ตามอ เพาะชีวิเวลาของวันเวลาของเรามีค่าถ้าไปไหนแล้วไม่ได้ประโยชน์อย่าเสียเวลาไปถ้าไปแล้วมันได้ประโยชน์กลับมาประโยชน์ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านวัตถุหรือประโยชน์ทางด้านธรรมะก็ตามให้อย่างไดอย่างหนึ่งถ้าเราเสียประโยชน์ทางด้านวัตถุไป <c oughs> ก็ควรจะได้ประโยชน์ทางธรรมกลับมาคําว่าประโยชน์ทางธรรมก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีค่าต่อจิตใจใต่อสติปัญญาของเราแหละเรื่องประโยชน์ทางธรรม ปรยชน์ทางวัตถุอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานความล่าเริงวัตถุแต่ส่วนที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นอารมณ์นะถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีทั้งได้วัตถุด้วยได้ทําด้วยมันก็ดีนะสมบูรณ์เมื่อวานนี้เราไปที่นั่นอันดับแรกที่สุดเราก็ไปที่อีคัวเรียมนะอีคัวเรียมซึ่งก็เราไปเห็นอ่านะ อันดับแรกที่สุดก็ไปเห็นถึงความอหลากหลายอัากการของการจัดการของระบบของอเมริกาคนทั้งหลายที่ขอนควายมาสู่ในแผ่นดินอเมริกาก็เพราะว่าเขามีความการจัดการที่ดีมีระบบที่ดนะีระบบการจัดการที่ดีในด้านวัตถุจนคนหลงไหลติดในด้านวัตถุไม่สามารถจะออกมาจากวัตถุได้ก็เรียกว่าเป็น สิ่งที่เป็นโลกาญาต่ไปไม่สามารถไปสู่โลกุตตะได้เพราะเขาผลิตทั้งดัวัตถุละเอียดปณะนิดเหลือเกินจนคนที่ไม่มีหรือมีสติปัญญาน้นไม่สามารถจะออกจากอำนาจของมันได้อืเราจะเห็นการบริหารการจัดการของเขาแต่ในแง่ของโลกุตตะธรรมสิ่งที่พระเจ้านำมาสอนนั้นจะมีมิติที่สูงกว่านั้นเสมอนะเช่นเราไปเห็นอะ ภาพสองภาพนะที่เราเห็นที่ที่จะมาเกิดชติขึ้นมาก็คือว่าภาพปลาในตู้แต่ละตู้เนี่ยมันจะมีภาพจำลองออกมาเปรียบเทียบกันอยู่ตรงนั้นคือภาพหนึ่งเป็นภาพวิดีโอภาพหนึ่งเป็นภาพของจริงคู่กันเลื่อยไปในสองแห่งนั้นในสองที่นั้นถ้าคุณไม่อยากดูภาพจริงก็มาดูภาพเทียมคือภาพวิดีโอ ทำให้ธรรมาเกิดคิดว่าอ๋อตู้ปลาของจริงเนี่ยมันเหมือนกับความรู้แต่ตู้ปลาของเทียมคือวิดีโอน่ะมันเหมือนกับความคิดมันเหมือนกันมากเลยนะแต่ถามว่าปลาที่อยู่ในตู้หรือปลาที่อยู่ในอ่างเนี่ยเราสัมผัสมันได้ไหมสัมผัสได้แล้วเราจัดการมันได้ไหมถ้าเป็นของเราจัดการมาได้จัดการจับปลาก็ได้ะ ล้างปลาก็ได้ให้อาหารปลาก็ได้ตกแต่งก็ได้นี่ของจริงเราจัดการมันได้แต่ว่าภาพที่อยู่ในวิดีโอรเราจัดการมันได้ไหมเราจะจับปลาจับตัวปลาได้ไหมจะจัดผักไม้ใบหญ้าที่ไหนในใ น, ในภาพวิดีโอเนี่ยได้ไหมจะเอาน้ำออกจากนั้นได้ไหมไม่ได้สักอย่างเลยหมายความว่าพอเทิร์นออฟปั๊บนี่ทุกอย่างดิสเพียร์ปลาชนาการหายหมดเลยเห็นไหม นั่นหมายความว่าในใจของเราเนี่ยมันก็มีภาพอยู่สองภาพนี่แหละอยู่ตลอดเวลาทีเดียวภาพของความรู้และความความความคิดภาพของการความจริงและความเท็จภาพของสมมุติและประมาทพาะภาพของกุศลและกุศลเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราไม่เคยที่จะไปใส่ใจกับมันแต่พวกเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เขาฉลาดเอาภาพเราเนี่ยไปจำลองออกมาเป็นเป็นรูปธรรม ก็สามารถที่จะได้สิ่งตอบแทนเขาลงทุนสักกี่ล้านก็ต่างสมมติว่าพันล้านเนี่ยทีนี้ถ้าผลิตภัณฑ์นี้มันอยู่ไปสิปียี่สบปีเนี่ยเขาได้กําไรเป็นหลายพันล้านเห็นไหมอันนี้คือวิธีการจัดการของเขาเขาคนเข้าแต่ละวันมันได้เป็นวันละหมืน่นหมืนหม่นแสนแ ส, น, สนเหรียญเนี่ยเวลาล่วงไปสิปียี 20, ่สิบปีจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่คือการบริหารจัดการ ฉันใดก็ดีในจิตใจของเราถ้าบริหารจัดการดีเนี่ยเราก็ใช้มันทั้งสองภาพนี่แหละภาพความคิดแล้วก็ใช้ภาพความจริงแล้วก็ใช้แต่ส่วนใหญ่เรารู้แต่ภาพความคิดคือภาพสมมุต <sortir> ิเราไม่รู้เจักภาพของความจริงคือภาพของภาพปรมัตดหรือภาพของความรู้สึกตัวดังนั้นเราถึงมาสร้างภาพนี้ก่อนยังไงมาสร้างรูปภาพของความจริงภาพปรมัดนี่เส้อก่อนไอภาพปรมัตดภาพสมมุติมันเกิดขึ้นจากภาพปรมัตนั่นแหละ ในภาพวิดีโอเดี๋ถ้ามันไม่มีของจริงมันจะเอาที่ไหนมาฮะเข้าใจไหมในภาพที่เขาถ่ายออกมาเป็นวิดีโอถ้ามันไม่ีภาพของจริงเข้าใจไม่สามารถจะถ่ายออกมาได้เพราะฉะนั้นภาพที่ภาพจิตที่มันเป็นสมมุติภาพที่เป็นความคิดจินตนาการต่างๆมันก็มาจากภาพความรู้นี่แหละมาจากภาพของจริงนี่แหละแต่มันจําลองออกมาแต่ภาพเทียมหรือภาพสมมุติมันเกิดแล้วมันก็ดับเหมือนเราไปภาพที่วิดีโอลอง กดเปิดดับเปิดดับได้วันไม่รู้กี่หุนกี่ครั้งแต่ภาพปลาในตู้ที่มันของจริงเนี่ยจะไปกดมันเปิดมันดับอย่างที่เราต้องการได้ไหมเกิดขึ้นแล้วสร้างขึ้นแล้วกว่าจะหมดไปเนี่ยมันก็ใช้เวลาสมมุติว่าอีโคเรียมเนี่ยอีกกี่ปีเขาจะหมดอายุที่เขาจะเลิกกิจการอันนี้นนคํานวณได้ไหม ไม่ได้จนกว่ามันจะเสื่อมสลายไปตามสภาพอาการสามสิบปีห้าสิบปีไม่ถึงร้อยปีก็แล้วกันมันก็สลายเพราะฉะนั้นภาพของจริงเนี่ยมันมันอยู่ ย, ยั่งยืนและสลายช้าภาพของเทียมเนี่ยมันไม่ยืนมันสลายได้ตลอดเวลานี่เห็นไหมเพราะนั้นความคิดมันเกิดมันดับได้ตลอดเวลาภาพนี้เกิดภาพนี้ดับภาพนี้เกิดภาพนี้ดับไปตลอดเวลา แต่ภาพของความจริงความรู้สึกตัวเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนบัดเนี่ยมันเคยเกิดมันเคยดับไปบ้างไหมเราเกิดมาทั้งแรกเราเคยเจ็บเคยปวดย่างไรปัจจุบันเวลาเจ็บปวดมันต่างไปจากเดิมไหมตั้งแต่เราเกิดมาเราหิวความหิวปัจจุบันก็ไม่ได้ต่างจากนั้นอันเดียวกันความหิววันนี้ก็ความหิวเมื่อเจ็ดสิบปีก็ไม่ได้ต่างกันความร้อนความหนาวเมือ่อ เราเกิดมาอย่างไรปัจจุบันนี้ก็อย่างนั้นนี้ของจริงแต่เราไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้กับมันนะเพราะนั้นความรู้ความจริงมันเหมือนกันแต่มันคนละอย่างเหมือนภาพวิดีโอ ก, กับภาพในตู้ปลานั่นแหละทีนี้จะเปรียบเทียบว่าในน้านั้นคือความรู้สึกตัวและความคิดความรู้สติปัญญาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในน้าเหมือนอารมณ์ที่มันเกิดขึ้ น, น, น แล้วก็ปลาในน้าปลาต่างๆหลักชนิดปลาใหญ่ปลาน้อยปลาสีต่างๆปลาต่างพันต่างชนิดความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เรียกว่าสติปัญญาอแล้วแต่เราจะนํามามาคิดแล้วของจริงนี่มันไม่ได้มาเองนะภาพเนี่ยปรากฏถ้าหากเป็นของเทียมเนี่ยกดปั๊บภาพมันมาเองไม่รู้มาจากไหนมาสีกับแสงแต่ว่าปลาที่อยู่ใน อ่างนั้นนะ่ะกูจะมาได้แต่ละตัวนะมันขวนขวายไม่รู้กี่ปีเอามาแากเย็นแสนเข็นกูจะมาได้ไม่รู้ตายไปเท่าไหร่และแต่ละวันก็เลี้ยงมันไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันตัวสติปัญญาที่เราคิดขึ้นมาใช้งานเนี่ยมันก็เหมือนปลาชนิดต่างๆที่กูจะเกิดได้เนี่ยเราต้องเรียนต้องรู้ต้องอ่านต้องเขียนต้องพิจิตพิจนารณากูจะนําความคิดแต่ละอย่างออกมาอันนี้คือของจริงเรียกว่าสติปัญญาแต่ในสติปัญญานี่เหมือนกันถ้าเราขาดสติรู้เท่าทัน มันกลายเป็นอะไรกลายเป็นกิเลสทันทีเห็นไหมแล้วการที่จะมันจะแปลงภาพความรู้ให้เป็นความความรู้ให้เป็นความคิดปรุงแต่งคือแปลงภาพของอ่างปลาในของจริงให้เป็นวิดีโอมันก็ใช้กระบวนการเหมือนกันไม่ใช่จู่ๆมันจะไปทําเป็นวิดีโอดได้เลยมันจะต้องมีกล้องมาถ่ายมีเทคโนโลยีในการตัดต่อมีการ ทาวิธีการต่างๆออกมาเป็นวิดีโอฉันใดก็ดีความรู้สติปัญญาที่เราใช้อยู่เนี่ยก่อนที่มันจะแปลงเป็นภาพของสังขารของจินตนาการของความคิดของอความหลงไหลอะไรต่างๆที่เราไปยึดไปติดเนี่ยมันก็าอาศัยขบวนการของอะไรของอวิชชาตันหาอุปาทานมันถือออกมาเป็นมนกรรม ออกมาเป็นกายกรรมออกเป็นวจีกรรมเห็นไหมมันต้องใช้กระบวนการแต่กระบวนการนี้มันทํางานได้ไวหรือเกินเมื่อกี้เราพิจารณาอาการสามสิบสองพิจารณาธาตุสี่พิจารณาลมหายใจพิจารณาสุภาษพิจารณาอิริบทใหญ่อิริบทย่อย อ, อยู่ดีๆอ้าพับมันไปเป็นความคิดเสซะแล้วเห็นไหมมันแทบจะไม่ต้องอาศัยเวลาเลยกระบวนการที่จะความรู้เพียงแต่เราเพิ่สตินิดเดียวเยนะี่ย มันก็กลายเป็นความคิดทันทีแต่ขณะเดียวกันเรา ก, กลับมาสู่ความรู้ใหม่ก็ไม่ยากในแง่ของปรามัดเนี่ยเราสามารถแปลงความเท็จมาเป็นความจริงก็ได้แปลงความจริงไปเป็นความเท็จก็ได้แต่ถ้าถามว่าเราเอาภาพวิดีโอมาดูเนี่ยเราซื้อเข้ามาแผ่นหนึ่งพรภาพผันนี้เขาก็มีขายแย่ๆนะในกิช็อปของเขาเนี่ยเราซื้อมา ถามว่าเราจะทำอย่างวิดีโอที่เขาทำอย่างที่เขาทำเนี่ยได้ไหมทำทันทีเนี่ยได้ไหมไม่ได้กว่าจะได้เราต้องใช้ความสามารถของเราไม่รู้ทีเราต้องไปเรียนไปรู้ไปศึกษาไปหลายปีกว่าจะได้แบบนั้นออกมาแต่ถ้าในส่วนปรมาจารยอะ ถ้ามันมีสังขารความปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตเรื่องนี้ต้องต้องตัง้ตงใจฟังให้ดีนะถ้าไม่ฟังไม่ทันสับสนนะเอามากำลังเปรียบเทียบระหว่างภาพสมมุติกับปรามัดภาพความรู้กับความจริงภาพความคิดกับการปรุงแต่งความรู้กับการปรุงแต่งระหว่างภาพสองภาพนี้ชัดเจนมากถ้าเข้าใจหลักอันนี้แล้วเนี่ยมันทุกมันจะดับแล้วมันจัดการเรื่องทุกได้เป็นอย่างดีเราจะจัดการ วิดีโอที่เราซื้อมาให้เป็นความจริงอาศัยเวลานานมากในแง่ของรูปธรรมแต่ในแง่ของนามธรรมาเราจะแปลงความคิดปรุงแต่งให้มันเป็นสติสัมยาเนี่ไม่ยากเลยแปลงความคิดปรุงแต่งให้เป็นปัญญาเนี่ยไม่ยากเลยอาศัยความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วมันแปลงได้ทันทีไม่ต้องอาศัยเวลาเลยแปลงความคิดให้เป็นความ จริงก็ไม่ยากแปลงความจริงให้เป็นความคิดก็ไม่ยากยากในแง่ของปรมาติฏิในแง่ลัดนิ้วมือเดียวในแง่ของปรมาติฏิแต่ในแง่ของสมมุติอาศัยการเวลาเห็นไหมนี่คือความแตกต่างดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลาคือทำอะไรคือทำความจริงไว้เสมอทำความรู้สึกตัวไว้เสมอไอาการที่จะไปแปลงเป็นจินตนาการเป็นสังขารเพื่อให้เป็นปัญญาก็ไม่ยาก ดนั้นต้างฝึกตัวนี้มากที่สุดยังไงแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจไม่เกิดเห็นอันนี้สงตรงนี้นะลังเลแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าเจริลยสติไปทําไมสร้างจังหวะไปทําไมเดินจงกรมไปทําไมกําหนดความรู้สึกตัวมันไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นอนนี้สงแล้วจะไปพยายามทําให้มันเสียเวลาทําไมรู้เราอยู่ปกติห้องทําปอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากเล่นก็เล่นอยากไปก็ไปไม่ดีกว่าหรือแล้วเรื่องอะไรจะได้มานั่ง คดของอขดคู่งอขดของอขิงในการที่จะมาทาความเพียรทาไมไปเพื่อเพลินไปวันวันก็เพราะอย่างนี้ผู้รู้ทั้งหลายผู้เห็นโทษเห็นภัยของความคิดปรุงแต่งสังขารทั้งหลายจึงอุทิศเวลาอุทิศชีวิตเพื่อสิ่งนี้แต่สำหรับคนที่เขาไม่รู้คุณค่าสิ่งที่ไม่มีอ น, นิสงส์ไม่มีศรัทธาต่อพูดให้ตายเขาก็ไม่ทำเพราะเขาไม่มีบรรัญญา เราไปโทษเขาไม่ได้เพราะต่างคนต่างทำกรรมมาต่างคนต่างทำกุศลมามันไม่เหมือนกันแต่เราทำกรรมมาดีแล้วทำกุศลมาดีแล้วเราก็เห็นความจริงอันนี้เราก็มั่นใจเพราะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงว่าคนอื so ่นทำไมไม่ทำนะคนนั้นทำไมไม่ทำไม่ต้องไปห่วงเพราะแต่ละคนนั้นแตกต่างกันบุญกุศลเราสร้างมาต่างกันสติปัญญาเราสร้างมาต่างกันบุญบารมีเราบาเพ็ญมาต่างกันบรรพบุรุษเรามาต่างกันแต่เราจงภูมิใจในส่วนที่เป็น ของเราจงภูมิใจในส่วนที่เราได้สร้างสมมาไม่ว่าบุญบารมีสติปัญญาบรรพบุรุษการศึกษาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างเราได้มาดีแล้วเนี่ยเราจงภูมิใจมั่นใจในส่วนของเราเราอย่าไปฮิตถึงคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นมากดูตัวเราเนี่ให้มากเพราะไม่มีเวลาแล้วนะดังนั้นอันนี้ภาพที่ได้มีคุณค่ามาไปเห็นภาพนี้โอ้โหซาบซึ้งเหลืองเกินเกิดธรรมิติ นะมีความสุขในการไปชมได้ล่าเรืองทั้งสองอย่างได้ธรรมะหันษาด้วยได้วัตถุหันษาด้วยได้ปีติทั้งสองส่วนเพราะฉะนั้นเราจะไปไหนก็ตามเนี่ยให้มันได้กําไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้สติปัญญากลับมาเนะี่ยไปเราเสียเวลามากเราไม่อยากไปไหนมาอยู่มาอยู่ที่นี่เจ็ดแปดวันมาก็เพิ่งออกนอกวัดเมื่อวานเอง แล้วก็ได้สิ่งที่ดีแล้วก็มาพูดให้กันฟังนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ลองเอาไปพิจารณาดูว่าจริงไหมไม่ใช่เอามามาปรุงมาแต่งมาคิดมาคน้นมานี้ขึ้นเองมันเป็นของจริงแต่เราเอามาถ่ายทอดให้กันฟัง